แ ส, สองกองกลายทรงสถิตทุกดวงใจเรารักพระเจ้าอยู่หัวขอ้องไทยร้อยใจถวายพระพรให้พระชน ผองไทยนิรันดรขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญ ชนมาอยู่ยาวไกลสุนรวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญ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 สนใจก็มีคณะกรรมการปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้นี่จากการเปิดเผยของพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปในด้านการป้องปรามการทุจริตเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของคณะกรรมการมีแนวคิดที่จะให้ข้าราชการ นะทุกคนเลยยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินในในทุกส่วนราชการคือทุกกระทรวงแล้วครับนะแล้วก็ทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่างเลยนะครับนะซึ่งนะก็บอกว่าจะต้องยื่นรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะ ม, มีการปิดผนึกนะมากับสมุดประวัติแล้วกใ็ในตรงนี้นี่ก็นะยื่นมาที่คงจะหน่วยงานของปอ ป, ปอชแล้ครับนะ ปิดผนึกแล้วก็ส่งมานะครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะส่วนกรณีที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่นะครับเราก็ตอบกอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากบัญชีเดิมนะเพิ่มขึ้น 10% นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นนะครับก็จะต้องยื่นใหม่นะครับอย่างเช่นคนเป็นครูเนี่ยนะครับหลังจากเป็นครูน้อยเนี่ยถ้าขยับขึ้นมาเป็นผ อ, อเป็นผู้บริหารก็ต้องยื่นใหม่ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็เป็นระดับซึ่งก็เป็นแนวคิดในในคณะกรรมการซึ่งก็มีการทกเถียงกันมากเพราะกระทบนะกัในส่วนของอ่าในส่วนของข้าราชการเป็นแสนคนแหละครับว่าจะทําได้หรือไม่แล้วก็ในส่วนของนายประยงปียาจิตซึ่งเป็นเลขานุ ก, กานคณะกรรมการก็กล่าวว่าจะมีการเปิดรับฟังข้อมูลทั้งภาครัฐภาคประชาชนสื่อมวลชนทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปด้านป้องปามการทุจริตนี่ก็บอกว่าจะมีการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนศกนี้นะครับแล้วก็ก็จะไปะสอบถามว่าประชาชวนว่ายังไรแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการก็จะมีการเชิญให้มาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็กำลังมีการปรับแก้กันอยู่นะท่านที่สนใจก็ไปแสดงความ คิดเห็นได้นะว่าจะจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของการปฏิรูปตํารวจเนี่ยนะครับนะพลเอกบุญสร้างเนี่ยประดิษฐ์ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านกระบวนการยุติธรรมนะโดยเฉพาะทางด้านตํารวจก็บอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการนะแล้วก็พูดถึงตํารวจในอนาคตว่าอาจจ ะ, ะเป็นยุคไซเบอร์แล้วนะครับเป็นยุคโซเชียล Network นะออนไลน์เพราะฉะนั้นนี่ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทนะครับให้ให้เท่าทันนะอทอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มโครงสร้างหน่วยงานอะไรหรือเปล่านะครับน่ซึ่งตรงนี้ต้องต้องดูนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ก็จะมีการกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะมีการปรับปรุงการทำงานของของตำรวจอย่างไรเพื่อที่จ ะ, ะเสนอต่อสอนชเสนอต่อรัฐบาลต่อไป นะครับแล้วก็จะมีการทวงดุลอํานาจกันอย่างไรนะครับนะระหว่างสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะบตำรวจกับอายการนะจะทวงดุลกันกันอย่างไรเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องอดูนะครับว่าจะขยับอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของของตำรวจในส่วนของการปฏิรูปด้านทรัพยากรนะครับในดรรอยนจิตดอนประธานกรรมการปฏิรูปทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้แบ่งงานออกเป็น6ด้านนะมีทั้งทรัพยากรทางบกทางน้ำทางทะเลชายฝั่งนะครับความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะซึ่งการวางเป้าหมายก็คืออาจะเราจะต้องทำให้ทรัพยากรทางทะเลคือชายฝั่ง <c oughs> มีประการ ล, ลังที่สมบูรณ์เพิ่มเติม ตอนนี้มีอยู่ 5.7% ก็ให้เพิ่มเป็นแในอีก5ปีนะเป้าหมายนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็น20ใน20ปีเขาวางไว้อย่างนั้นนะครับก็คือถ้าประการลังอุดมสมบูรณ์ก็ปลาก็จะชกชุมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็วางเป้าหมายกันไว้แล้วก็จะกรรมการชุดนี้ก็จะมีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชน4นเวทีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อที่จะเสนอ ต่อส่วนกลางเราจะเห็นว่าคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆนี่กำลังทํางานกันอย่างรรมคมักะเม่นก็คงจะต้องดูแลครับว่ า, ว, าว่าจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนที่าค่อนข้างที่จะคือฮาที่เราเห็นกันก็คือการเสนอให้ในส่วนของข้าราชการทุกระดับนะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับนะว่าจะจะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับเพราะว่า ในทางปฏิบัติก็อย่า ง, า ง, า ง, า ง, างที่บอกแหละครับนะว่ามีจํานวนมากนะครับนะก็จะทําทให้การดํำเนินการนี่จะทั่วถึงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูในรายละเอียดนะครับนะ ว, ว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในในใ น, ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมก็มีการเสนอนะครับให้ให้มีการแบ่งส่วนงานนะครับสืบสวนสอบสวนเนี่ยออกจากงานปราบปรามนะครับนะก็ ก็ต้องฟังกับจากหลายๆฝ่ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของการทวงดุลระหว่างตํารวจอายการแล้วก็ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็มันเป็นปัญหาอยู่นะครับถ้ามีการเสนอให้มีการปฏิรูปได้ก็จะจะดีเพราะเราจะเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้นี่ก็ค่อนข้างที่จะลดลงอย่างมากนะครับสัตว์ป่าก็ต้องออกมาทำมาออกมาหากินนลุกเขต พื้นที่ทางกา ร, กรเกษตรของชาวบ้านก็มีปัญหากระทบกัะทั่งกันอยู่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างนะครับนะกันอย่างไรเพิ่มพื้นที่ป่านะครับซึ่งจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่ามายาวนานอยู่แล้วเนี่ยจะให้คนอยู่กับป่าได้หรือไม่นะก็เป็นเป็นข้อที่กาลังทกเถียงกันอยู่นะครับนะเพราะว่า ตรงนี้นี่ประชาชนมากขึ้นนะครับก็มีการบุกเบิกเข้าไปในพื้นที่ของเขตป่านะครับจะให้มาช่วยในการอนุรักษ์ในการฟื้นฟูทำป่าชุมชนกันได้อย่างไรเนี่ยต้องต้อ ง, ต, องต้องดูนะพื้นที่เขาหัวล้นต่างๆเนี่ยจะแก้กันอย่างไรนะครับรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเขตอุทยานทับที่ดินทากินนะของของประชาชนเนี่ยนะครับก็มีหลายๆที่ที่ประกาศไม่ชัดเจนก็ มีปัญหาที่ร้องเรียนกันอยู่นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของเขตพื้นที่อุทยานทัพที่ทํากินนะครับนะปัญหาที่ดินทํากินยนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสังคมประเทศชาตินี่ก็ประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็ทําการเกษตรแหะครับส่วนการฟื้นฟูทรัพยากรทางทางทะเลนี่ก็คงจะต้องมีการฟื้นฟูแหละครับเพราะว่ามีการจับปลากันกันมากไม่มีการควบคุมเนี่ยก็พันปลาพันอะไรต่างๆก็ลดลงมากแล้วครับในเขตเอ่าวไทยเราต้องไป หาปลา จ, จากประเทศเพื่อนบ้านเหรครับในทะเลของอินโดนีเซียบ้างในอินเดียหรือหาไกลออกไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาอาหารทะเลเนี่ยมานะม า, ม า, มาขายนะครับมาค้ามาขายมาส่งออก mm hmm. เพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องมีการฟื้นฟูทางด้านสภาพแวดล้อมทางทางทะเล ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องติดตามการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปในใ น, ในหลายๆด้านนะครับมีมี มีหลายด้านมากกว่านี้มีด้านการเมืองก็มีนะครับนะทางด้านปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะทางด้านเากี่ยวกับเรื่องของการป้องปรามการทุจริตมีหลายๆด้านเราต้องติดตามการทํางานนะครับรวมทั้งการจัดทากฎหมายลูกนะเพื่อที่จะนําไปสู่การการเลือกตั้งกฎหมายลูกก็กําลังทํากันอยู่ก็ต้องตามดูมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อครับ ่เป็นบาทำใจกระโดนพ่อได้ที่ผูกหัวใจเขไว้ด้วยกันสาวล่าข้า ม, มาทำงานที่ร้านอาหารดตเคียงกล้คือลืมไม่แต่ไปแล้วบอแคบอโทรบอายคิดทอดตัวเป็นตะเลือใจจะเคยผู้ดา <laughs> the subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later. <laughs> จังไดหน่สาวลาวเจ้าจังบอมหรือ่าวลาวไตาจูงเขาพาควันแล้วนานจึงโลกชื่ลืมสัญญาจนลืมไปว่าเหยเป็นแฟนใครสาวลวาวไตเหตดบาปหัวใจของอายแท้เดชคิดพอดผู้สาวภากเส จังได้เด้อสิลืมได้ให้ลาวเต็มที่เปิดเอ c อซีติดต่อกันง่ายแต่เป็นยังสัญญาณหัวใจผู้สาวลาวต้จังไห้อย สี่ตดต่อกันง่ายแต่เป็นยังสัญญาณหัวใจผู้สาวลาวตา พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่มีเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายลูกนะครับพบรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอซึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นกฎหมายสำคัญละครับที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยต้องให้กฎหมายฉบับนี้เสร็จด้วยนะครับทั้งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการเปิดเผยของนายนรชิตสิงหเสนีโคสก คณะกรรมาการยกล่างล้มนูนก็เก่าว่าตอนนี้นี่คืบหน้าไปมากโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการได้มาถึงสอวอนะซึ่งสาระสำคัญก็อยู่ที่นะสอวอนี่จะมาจากการเลือกตั้งควัยของ20กลุ่มอาชีพนะครับนะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอนะมาถึงระดับจังหวัดแล้วก็มาาระดับประเทศนะครับซึ่งมีการคัดเลือกนะเลือก ไว้กันให้เหลือ200คนและกระบวนการทั้งหมดก็ใช้เวลาประมาณ52วันนะครับซึ่งก่อนเริ่มจากกกตเนี่ยต้องเปิดรับสมัครภายใน15วันนะแล้วหลังจากที่มีพระราชกิษสดีกาให้มีการเลือกเลือกตั้งนะแล้วก็จะมีการมีระยะเวลารับสมัครประมาณ5 7ถึงวันจากนั้นก็จะมีการเลือกในระดับอำเภอกระบวนการ15วันต่อด้วยการเลือกในระดับจังหวัด7วัน แล้วก็มาเลือกในระดับประเทศใช้เวลาประมาณ10วันนะซึ่งตรงนี้นี่ก็จะต้องนะไปดำเนินการแล้วครับถ้าสชเห็นด้วยประกาศใช้ก็จะเป็นไปตามนั้นนะโดยเฉพาะนะท่านใดที่สนใจที่จะมานะสมัครเป็นสวสมาชิกนะวุฒิสภานะซึ่งก็ใช้วิธีการสรรหาแล้วครับมีการเลือกค่ายระหว่างกลุ่มอาชีพนะก็เป็นตัวแทนของของกลุ่ม ต่างๆหลากหลายอาชีพ20กลุ่มใ น, ในแต่ละจังหวัดนะท่านก็เตรียมตัวสมัครได้นะถ้ามีการเปิดให้มีการสรรหาสวานะครับนะก็สามารถดาเนินการได้ส่วนเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลบัตรสวัสวดิการคนจนนะครับซึ่งทางนางสาวพิมพ์ชนกฮวนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าบัตร กรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยหรือว่าบัตรสวัสดิการคนจนนี่นะครับก็จากการเปิดใช้มีการดําเนินการก็ทางทางสํานักงานนะครับส อ, อคอเนี่ยนะครับสำนักงานยุทธศาสตร์การค้าก็บอกว่าเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกทางแล้วนะครับในมุมมองของสํานักงานนี้นะเพราะว่าช่วยลดค่าของชีพให้กับผู้มีไรายได้น้อยแต่ว่ารัฐบาลก็ อาจจะมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านอื่นๆนะครับก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ควรจะเน้นการเพิ่มรายการสินค้าให้ให้หลากหลายขึ้นในร้านธงฟ้าประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มาเลือกซื้อได้อย่างเช่นอาหารสดอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์หรือว่าพวกสัตว์น้ำนะครสัตว์น้ําพวกปลาพวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จากการวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภคของผู้มีไรายได้น้อย ทั้งดัชนีผู้บริโภคเขตชนบทเกษตรก ร, ร, ก, รก็สํารวจช่วงเดียวกับการการใช้บัตรนีนะ้ก็บอกว่ามีการสํารวจก็พบว่าตอนนี้นี่ก็มีส่วนใหญ่แล้วก็ผู้มีไรายได้น้อยก็ใช้เงินมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็มาใช้ใจ่ายค่าอาหารนะคะค่าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยก็มีการใช้ใจ่ายนะ ในด้านต่างๆเนี่ยนะครับแต่ซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็มาซื้อนะก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวก็สะดวกขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่าจำนวนร้านในพื้นที่มีน้อยแล้วก็เครื่องลูดบัตรในบางแห่งเนี่ยอาจจะชำรุดนะครับนะก็ต้องมีการซ่อมแซมต่อไปมันอาจจะดียิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ ก, ก็มีการเสนอว่าน่าจะเพิ่มยอดเงินได้หรือไม่นะจาก200ถึง300บาทต่อคนต่อเดือนก็กำลังมีการขอกันอยู่นะครับนะว่าจะว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นโครงการที่ลงมานะครับนะในส่วนของอโครงการบัตรสวัสดิการคนจนนะครับเนะเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องมีการปนะรับนะปรับปรุงระบบให้ให้ลงถึงคนยากคนจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะว่า าชาวบ้านนี่ก็อยากสเสนอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะมีการกระจายใ ห, ให้ร้านค้าชุมชนใ น, ในแต่ละตำบลในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยไ ด, ได้ได้รับในการที่จะเป็นร้านค้าที่จะขายของนะครับนะให้กับในส่วนของผู้ใช้บัตรสวัสดิการเหล่านี้จะมีวิธีการอย่างไรหรือไม่นะครับที่จะทําให้ร้านค้าเล็กๆนะครับนะในตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยได้ได้เป็นผู้ ได้ขายสินค้านะครับให้ผู้ที่มีบัตรนะคงจะต้องไปหาวิธีเพราะว่าถ้าร้านค้าเล็กๆในในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยได้ขายก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางทางเศรษฐกิจอีกที่ครบนะในระดับฐานลากมากๆขึ้นนะซึ่งเป็ น, ซ, ปนซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านเนี่ย ก, ก็ก็ตื่นตัวนะครับแล้วก็เข้าร่วมแหะครับนะก็มีคนเข้าร่วมจํานวนมากเพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการปรับปรุงหรือจะทํำยังไงที่ให้ ให้บรนค้าโอท็อนะในแต่ละพื้นที่นี้ได้ได้ขายสินค้านะครับเนะี่ยสามารถที่จะนำบัตรนี้ไปซื้อนะครับไปซื้อสินค้าโอท็อปของกลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่บ้านนะก็จะจะจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าเป็นการกระจายรายได้นะในในที่ต่างๆนะครับแล้วก็ในในช่วงนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในในหลายพื้นที่เราจะเห็นว่า ในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้นี่นะครับในหลายพื้นที่ในฝนตกปริมาณสูงนะครับจนน้ำเนี่ย จ, จะลน้นนะสปินเบหรือว่าของเขื่อนหรือว่าของฝายกั้นน้ำหลายแห่งนี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำของของฝายของเขื่อนน้ำก็ท่วมนะครับนะเพราะในตรงนี้คงจะต้องมีการเร่งแก้ไขอาครับ จ, จะต้อง มีการขุดลอกทำแก้มลิงมากขึ้นอาจจะต้องมีการวางแผ น, นเตรียมลับมือสำหรับปีหน้าแล้วครับปีนี้อาจจะต้องช่วยกันเฉพาะหน้าอยู่เพราะในบางพื้นที่ในน้ำท่วมขังมาเป็นเป็นเดือนแล้วนะครับนะโดยเฉพาะแถวอายุทยานี่ท่วมในส่วนของบ้าน2ชั้นในชั้นแรกนี่ก็ท่วมแล้วนะครับก็ไปอยู่อาศัยชั้นสแต่อยู่กันมานานนับเดือนก็จะมีผลกระทบนะต่อ ต่ออาหารการกินการใช้ชีวิตของของชาวบ้านนะครับนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่านาปัญหาน้ําท่วมนี่กระจายก็คงจะต้องมีการเร่งแก้ไขแหะครับนะเร่งแก้ไขในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมซึ่งซึ่งเห็นกันอยู่ทุกทุกภาคเลยทีเดียวนะครับจะปรับปรุงกันกันอย่างไรกนะ็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควัญบุญิเรามา ร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่กันนะครับสำหรับวันนี้ผม น, นิรันกุลธาันนันต้องขอลาท่านฟังไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ คำสันส้นๆที่ความยาวมันบดถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮารวมก่อใจเย็นไว้สาวว่ายังออกมาหูโตบนนอเรื่องเมื่อนีไอสิบอคืนตอแค่อยากขอให้เห็นแก่ห้า เก็บเอาไว้ก่อนคำว่ลาลาคนเสื่งไหวสาคนคนดีของอะไรตะกี้ตะกอนฮักกันสั่ใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่ลาลาคนเสื่งไหวสาคนอย่าด่วนอย่าฝ้าเอาว่าต้องตากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่า ไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอกหัวใจอ้หยุดเอาไ ว, ว้เสวาวเดิอลาอยู่กันมาดนต้องมีสักหนที่มีปัญหา ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าทึ่อสาให้มันเป็นเรื่องรักเก็บเอาไวไ้ ก, วก่อนคำว่าลาปนเสื่งไว้สาปน ค, คนดีของอายตะกี้แต่ก่อนฮบกันซําใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไวไ้ก่อนคำว่ลาลาปน เสี้ยวเวสากรออย่าดวนอย่าฟ้าวอาว่ต้องตากันรักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลา สันส้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหัหวใจอายหยุดเอาไ ว, ว้เสวาเดลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาคิดใจกันก็เรื่องธรรมดา อย่าทึ่ซาให้มันเป็นเรื่องรัเก็บเอาไวไ้ ก, ก่อนคำว่ลาลาปเรื่องไว้สาตปนคนดีของอายตะกี้ตะก่อนหักกันสักใดอยากให้ลองตรองอยูสักคราวเก็บเอาไวไ้ ก, ก่อนคำว่ลาลาป เสื้อไวสาตอนอย่าดวนอย่าฟ้าหว่าต้องตากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าาอขอให้เจ้ากลับคำสาลาเก<อ>็บเอาไว้อีกก่อนคำวันลาคนเสื้อไวสาตอนคนดีของอ ตะกีตรกร้ตะก่อนคักันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำวันลา่อนเสื้อสาก่อนยอนย่าด่วนอย่าฟ้าเพ า, าต้องตากันครับ ก, กันคือเกา่าให้เป็นคือเกาอ่าอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลา